คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของเสือสมิงหลายๆท่านก็อาจจะจินตนาการภาพไว้ว่าเป็นเสือที่แปลงร่างเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงแปลงร่างเป็นเสือนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเสือสมิงกันค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของพระเกจิชื่อดังแห่งวัดช้างเผือก นะคะเป็นพระมหาเถราจารนะคะแห่งเมืองเพชรบูรณ์ที่มีปฏิปทาเรียกว่าดีแล้วก็เลิศนะคะหน้าเคารพนับถือแล้วก็หน้าเรื่อมใสนะคะคนที่ติดตามนะคะ ชีวประวัติของหลวงพ่อทบเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเรียกว่าเป็นเกจิที่มีปฏิปทาดีนะคะแล้วก็น่านำไปปฏิบัติตามนะคะไปเครารพบูชากราบไหว้แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์นะคะในสายปฏิบัตินะคะคุณผู้ฟังคะในป่าดงดิบเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นผีป่าผีโป่งผีกองกอยหรือแม้กระทั่งเสือสมิง หลวงพ่อทบเองก็หลุดรอดมาได้ด้วยการอาศัยการเจริญเมตตาบารมีเป็นที่ตั้งนะคะทำให้ผีเหล่านั้นเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามารบกวนท่านได้ครั้งหนึ่งนะคะท่านได้เดินทุดงผ่านไปพบกับกองกระดูกอยู่กับผ้าเหลืองเ ป, เปื่อยๆผุๆพร้อมกับกรดและก็บาด ท, ที่สิ้นสภาพหลวงพ่อทบจึงรู้ในขณะนั้นว่าพระธุดงรูปนี้เนี่ยที่มานอนมรณาภาพอยู่ตรงนี้จะต้องอาบัตในทุดงวัด มีวัดอันไม่บริสุทธิ์หรือต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้อย่างหน้าอนาถแน่ๆท่านจึงได้รวบรวมผ้าเหลืองกระดูกร ด, กลดและก็บาดเข้าด้วยกันแล้วก็นำไปฝังอย่างเรียบร้อยนะคะพร้อมกับสวดมาติกาบ า, บางสุกุลให้เป็นที่เรียบร้อยจึงตกลงใจปักกรดค้างคืนอยู่ตรงนั้นพอตกดึกในคืนนั้นเองค่ะขณะที่หลวงพ่อทบนะคะกาลังจะทาสมาธิภาวนา มันก็เกิดเสียงแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมนะคะเดินเข้ามาใกล้กลดกลิ่นสาบสางนีค่คะคลุ้งโชยเข้ามาจมูกแทบจะสำลักหลวงพ่อทบนะคะก็ยังคงนั่งสมาธิภาวนาอย่างแน่วแน่คือไม่ยอมขยับขยื่นเจ้าเสือพาดกรอนขนาดใหญ่เห็นท่านไม่เกรงกลัวมันมันจึงแยกเขี้ยวขู่คำรามอย่างดุร้ายไม้จะกัดกินท่านเป็นอาหารให้ได้เลยนะคะท่านก็เลยรวบรวมจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับเสือพร้อมปากก็พูดนะคะว่าเองหากินของเอง ข้าก็ออกผู้ดงอยู่ในทางธรรมของข้าเองอาศัยสัตว์น้อยใหญ่ต่อชีวิตข้าก็อาศัยพัตนาหาํารงชีวิตเองมาข้าก็ดีใจไม่มีอะไรก็นอนเสียเถิดหลังจากกล่าวจบแล้วหลวงพ่อทบก็น้อมชีวิตเป็นพุทธบูชาค่ะโดยอธิษฐานว่าหากเสือกับท่านเนี่ยไม่ได้เคยผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันในชาติบางก่อนก็ขอให้เสือหลีกทางให้ถ้าเคยผูกเวรกันมาก็ขอให้เอาท่านไปกินเพื่อชดใช้กรรมของท่านเสีย เป็นที่น่าอัศจรรย์นะคะคุณผู้ฟังปรากฏว่าเสือตัวนั้นหยุดคำรามแล้วก็ทำตามคำสั่งของท่านแต่อย่างง่ายได้เลยเหมือนกับพูดกับนักเรียนมันก็ลดความดุร้ายลงแล้วก็ค่อยๆล้มตัวลงนอนทั้งข้างตกลดของท่านส่วนท่านก็เจริญสมาธิภาวนาจนรุ่งเช้าพอลืมตา ม, มาดูอีกทีหนึ่งนะคะก็พบว่าเสือสนิงตัวนี้ได้หายไปแล้วนะคะตัวที่มันลม้มตัวลงมาเมื่อคือนเนี่ยมันไม่เหลือละแต่ว่า ยังเหลือรอยเท้าของมันที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้คือหลังจากนั้นท่านก็เดินทุดงต่อไปจนกระทั่งพบกับพระธุดงอีกรูปหนึ่งจึงได้ชักชวนกันเดินทุดงไปจนทะลุเขตชายแดนพาม่านั่นเองนะคะ ซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อทบและก็พระทุดงรูปนั้นก็ได้แสดงอภิษฐานซึ่งกันและกันก็เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวิทยาคมค่ะจนเป็นที่พอใจแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางซึ่งหลวงพ่อทบก็ได้เดินทุดงต่อจนถึงประเทศลาวนะคะท่านก็ได้รู้จักคุ้นเคยกับพระเนนที่เวียงจันหลายรูปด้วยกัน เมื่ออยู่ที่นครเวียงจันทร์นะคะหลวงพ่อทบท่านก็ได้ช่วยเหลือพระเนนที่นั่นก่อสร้างสิ่งต่างๆจนสําเร็จหลายแห่งแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบในอัธยาสัยของพระเนรในเวียงจันทร์มากนะคะถึงกับนิมนต์ให้ท่านจําวัดอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ท่านได้ปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าท่านยังมีภาระที่จะต้องทําอีกมากเมื่อหลวงพ่อนะคะได้ปฏิเสธการที่จะอยู่เวียงจันทร์แล้วท่านก็ได้เดินทุดงออกจากเวียงจันทร์มุ่งหน้าไปยังประเทศไทยค่ะ ท่านเดินเลาะมาจนถึงเขตชายแดนไทยติดกับขเขมรที่จังหวัดตราดนะคะแล้วท่านก็ได้โด่งเข้าไปในเขตของขเขมรแล้วก็ต้องเจชินกับพวกขเขมรต่ำเจ้าแห่งอวิชามนอ่แห่งอวิชามนใสดำทั้งปวงค่ะเรียกว่าต้องกันต้องแก้แล้วก็ต้องทำลาย ไม่มีวิชาอาคมกล้าแข็งจริงๆแล้วก็จะถูกพวกขมรต่ำเนี่ยทดลองมนต์ดำคุณสายเช่นไม่ว่าจะเป็นยาสั่งบังฟันหรือบิดไส้นะคะแต่ท่านก็สามารถเอาชนะพวกเดรัจฉานวิชาเหล่านั้นได้แล้วก็ทำให้ท่านขาทาให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพากันศรัทธาในตัวของหลวงพ่อทบมากขึ้นนะคะ นิโมนท่านอยู่จำพรรษาในเขตชายแดนเขมรตลอดไปแต่ว่าหลวงพ่อทศก็เช่นเคยค่ะได้ปฏิเสธแล้วก็เดินทางกลับมาในประเทศไทยที่สุดค่ะการเดินทางม า, าเดินทางมหาธุดงแบบมาราธอนของหลวงพ่อทศก็สิ้นสุดลงและเห็นได้ว่าท่านเดินด้วยเท้าเปล่านะคะแล้วก็เดินไปตามทางธุรกันดานแสนจะลำบากยากเข็นบางครั้งค่ะธุดงไปในที่ห่างไกลหมู่บ้าน มีแต่ป่าดงดิบแล้วก็อาหารการกินก็ไม่มีต้องฉันยอดไม้กับใบไม้แทนข้าวแต่ท่านก็ไม่เคยยออ่อท้อท่านได้เดินทุดงจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ไปถึงเขตชายแดนพมา่าแล้วย้อนกลับไปประเทศลาวและสุดท้ายก็กลับเข้าชายแดนขเขมรเรียกว่าท่านได้เดินทางด้วยเท้าเปล่าหลายพันกิโลกันเลยดีเดียวนะคะ